เพาอวิชชาเกิดอาสวะก็เกิดก็เป็นอันว่าวนมหาอาวิชชาอีกและเมื่อวนมหาอาวิชชาอีกดังนี้ก็เป็นอันว่าท่านได้แสดงอธิบาย แม้ว่าจะเพิ่มอาสะวะมาเป็นเหตุเกิดอวิชชาแต่เมื่อท่านแสดงเหตุเกิดอาสะวะท่านคงเอาวิชาอีกนั่นแหละมาเป็นเหตุเกิดอาสะวะก็บนมหาอวิชชาอีกเพราะฉะนั้น จึงเป็นอันว่าก็ยุติลงที่อวิชชาเป็นแต่เพียงว่าอาวิชชานั้นเกิดขึ้นก็เพราะอาสวะเกิดขึ้นและ อาสวะจะเกิดขึ้นก็เพราะเอาวิชาเกิดขึ้นอีกนั่นแหละก็เป็นอันว่าอาวิชามีก็เพราะอาสวะอาสวะมีก็เพราะเอาก็เพราะอาวิชาจึงเป็นอันว่าวนกันอยู่ตรงนี้ จึงยุติกันอยู่ตรงนี้อาสะวะเกิดก็เพราะอาวิชชาอาวิชชาเกิดก็เพราะอาสะวะอาสะวะเกิดก็เพราะอาวิชชาอาวิชชาเกิดก็เพราะอาสะวะก็เป็นอันวัตสิ้นสุดอยู่แค่นี้เพราะถ้าไม่สิ้นสุดตรงแค่นี้ก็จะแล่นออกไปนอกฐาน เพราะฉะนั้นเอาวิชาและอาสวะนี้จึงนับว่าเป็นที่สิ้นสุดของสายเกิดทุกข์ ซึ่งเมื่อสาวขึ้นมาคือสาวผลหาเหตุขึ้นมาเมื่อจับอริยสัจทั้งสี่เป็นหลักทุกทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกทุกขนิโรยความดับทุก และมักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันเป็นอริยสัจสีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงทั่วไปและทุกข์นั้นก็จะทรงคี้เอาว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ เป็นต้นดังที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่ว่าชาติป็นุข่าความเกิดเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เพราะฉะนั้น ท่านจึงจับมาชี้แจงในทุกขสัจจะนี่แหละขึ้นเป็นที่ตั้งคือยกเอาชาติชารามรณะเป็นที่ตั้ง โดยที่จับแสดงอธิบายเพื่อให้เกิดปัญญารู้จักรอริยสัจทั้งสี่นี้โดยพิสดารคือจับเอา ชรามรณะความแก่ความตายขึ้นมาแยกออกไปเป็นอีกสี่ข้อก็เป็นอริสัตย์สี่ในข้อชรามรณะโดยที่ให้ภูปฏิบัติ พิจารณาให้ได้สมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นตรงคือรู้จักชรามารณะรู้จักเหตุเกิดชรามารณะรู้จักความดับอาชรามารณะรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรามารณะเอาอาริยสัจสี่กันแค่นี้ก่อน แล้วท่านก็ชี้วัาชารามรณะคืออะไรเหตุเกิดชารามรณะคืออะไรก็คือชาติความเกิดดับชารามรณะก็คือดับชาติความเกิดเมื่อดับชาติความเกิดได้ก็ดับชารามรณะได้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาศ ยารามณะก็คือมักมีองแปดในที่นี้จึงได้แสดงอธิบายในอริสัตถีที่ท่านจำแนกออกโดยละเอียดดังนี้ตามแนวปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยมันเกิดธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นตามที่พระพุทธเจ้าได้กัรแสดงเอาไว้ตามที่ได้ทรงพิจารณาคือได้แสดงอธิบายเฉพาะข้อที่หนึ่งของแต่ละหมด วัชรามรณะคืออะไรชาติคืออะไรภบคืออะไรอุปาทานคืออะไรตัณหาคืออะไรเวทนาคืออะไรภัตตาคืออะไรอายุรณะหกคืออะไร นมรูปคืออะไรวิญญาณคืออะไรสังขารคืออะไรอวิชาคืออะไรอาสวะคืออะไรคือแสดงอธิบายในข้อที่หนึ่งมาโดยลำดับ ส่วนข้อที่สองของแต่ละหมวดนั้นคือเหตุเกิดของแต่ละข้อเหตุเกิดของชราบรณะก็คือชาติมาจนถึงเหตุเกิดของ ว, วิชาก็คืออาสวะเหตุเกิดของอาสวะก็คืออวิชาเป็นเหตุเกิดกันอย่างไรในข้อนี้ยังไม่ได้อธิบาย เพราะฉะนั้นยึงจะจับอธิบายในข้อที่สองนี้ว่าเป็นเหตุเกิดกันอย่างไรจับตั้งแต่อวิชชาเป็นเหตุเกิดอาสวะอย่างไรอาสวะเป็นเหตุเกิดอวิชชาอย่างไร ่อยมาจนถึงชาติเป็นเหตุเกิดแห่งชรามรณะอย่างไรสำหรับอวิชชานั้นก็ได้ดอธิบายแล้วท่านพระสารีบุตรได้แสดงอธิบายไว้ ก็ได้แก่ไม่รู้จักทุก์ไม่รู้จักสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกไม่รู้จักนิโรธความดับทุกไม่รู้จักมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกท่านแสดงก็คืออวิชชาสี่ แต่ในที่อื่นได้มีแสดงไว้เป็นอวิชชาแปดคือเพิ่มกันอีกสี่ข้อได้แก่ไม่รู้เงื่อนตน้นไม่รู้เงื่อนปลายไม่รู้ทั้งเงื่อนตน้นทั้งเงื่อนปลาย ไม่รู้ปฏิจจสมุป บ, บาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นอีกในหนึ่งสี่ข้อหลังนี้ยกการเวลาขึ้นเป็นที่ตั้งคือไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคต ไม่รู้จักทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตไม่รู้จักปฏิจจตุปุบรัตนธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นซึ่งก็ได้แสดงอธิบายแล้วแต่ในที่นี้ก็จะได้เพิ่มเติม ในแนวอธิบายที่เกี่ยวกับการเวลาอีกปริยายคือทางอันหนึ่งที่ว่าไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคต การเวลาที่ไม่รู้จักดังนี้ก็ทำให้ไม่รู้จักทุกขจัจเจสภาพที่จริงคือทุกข์ด้วยก็เพราะว่าสภาพที่จริงคือทุกข์นั้น ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดแสดงอธิบายไว้วัาชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์บารณะความตายเป็นทุกข์จนถึงกล่าวโดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทะห้าประการเป็นทุกข์และข้อที่ เป็นทุกนี้พระพุทธเจ้าก็ได้รัดแสดงอธิบายไว้โดยปริยายคือแนวทางอธิบายต่างๆเป็นอันมากที่เป็นพหุลานุสาสนีคือคำสั่งสอนเป็นอันมากดังที่เราทั้งหลาย ดังที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่ก็ดังที่ได้ตรัสสอนไว้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตา ไม่ใช่อัตราตัวตนสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงทรทั้งปวงคือทั้งที่เป็นสังขารและทั้งที่เป็นวิสังขารเป็นอนัตตาม่ใช่อัตราตัวตน เป็นทวายไร้คือลักษณะสองทวายลักษณะลักษณะสองอีกในหนึ่งที่ตัดแสดงไว้ก็เป็นไตรลักษณอ น, นิจจะไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวจดน ก็เพื่อที่จะให้รู้จักทุกขจัตสภาพที่จริงคือทุกนั่นเองอันนี้จะคือไม่เที่ยงก็คือต้องเกิดต้องดับไม่ยั่งยืนอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนก็เพราะบังคับให้เป็นไปตาม รัฐนามิได้และหากว่าจะเติมทุกขะให้เป็นไตรลักษณ์ก็เพราะตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรนเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพิจรารณา ขันท่าซึ่งยอ่อลงเป็นนามรูปให้เห็นไตรลักษณ์หรือเทวไตลักษณ์ลักษณะสองอันนี้จะอนัตตาบังเกิดขึ้น จึงจะเห็นทุกขัสัจะสภาพที่จริงคือทุกข์แต่ว่าท่านแสดงไว้ว่าเครื่องกำบังอั น, นิจตาความไม่เที่ยงก็คือสันติความสืบต่อ เครื่องกำบังทุกขตาความเป็นทุกข์ก็คือความสุขความผัดเปลี่ยนอิริยาบดเครื่องกำบังอนัตตาความนอนัตตาก็คือความเป็นก้อนเป็นแท่ง เครื่องกำบังเหล่านี้ทำให้มองไม่เห็นอนิจจทุกขอนิสตาจะยกตัวอย่างข้ออนิจจไม่เที่ยนเครื่องกำบังก็คือสันตติความสืบต่อ ดังเช่นหายใจเข้าหายใจออกสืบต่อกันอยู่เสมอชีวิตจึงดำรงสืบต่อกันอยู่เสมอยังทำให้ไม่เห็นความดับ เห็นความเกิดและความดำรงอยู่ความตั้งอยู่ไม่เห็นความดับสันติคือความสืบต่อ น, นี้ก็คือความสืบต่อ อดีตปัจจุบันและอนาคตด้วยคือมองไม่เห็นอดีตมองไม่เห็นอนาคตไม่เห็นปัจจุบัน เมื่อเป็นดังนี้จึงรู้สึกเหมือนอย่างว่าเที่ยงรู้สึกเหมือนอย่างว่าขันห้านี้เที่ยงชีวิตนี้เที่ยงเกิดตั้งอยู่แต่ไม่ดับหรือว่าตั้งอยู่แต่ไม่ดับ เมื่อเที่ยงตั้งอยู่ไม่ดับก็คือไม่มีอดีตและเมื่อมไม่มีอดีตก็ไม่ต้องมีอนาคตมีปัจจุบันคือตั้งอยู่มองไม่เห็นอดีตคือส่วนที่ดับ และก็ไม่เห็นมองไม่เห็นอนาคตคือส่วนที่เข้ามาสืบต่อและก็ไม่รู้จักปัจจุบันเพราะมองเห็นเหมือนอย่างว่าเป็นปัจจุบันคือตั้งอยู่อย่างไม่ดับและไม่ดับก็ไม่ต้องเกิดก็ เ, เหมือนยังไม่เห็นเกิด เหมือนอย่างคนเราทั้งหลายที่มีความรู้สึกกันอยู่ในชีวิตในนามรูปที่ดำรงกันอยู่นี่ว่ารู้สึกว่าเป็นอยู่ตั้งอยู่ดำรงอยู่เป็นความเที่ยงอยู่ ไม่ดับเมื่อไม่ดับก็ไม่ต้องเกิดและไม่ต้องมีอนาคตเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันชื่อว่าไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคต เพราะอันที่จริงนั้นความเป็นไปของนามรูปของชีวิตนี้มีเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเหมือนยังมีให้ใจเข้าก็มีให้ใจออกอยู่ตลอดเวลา มีเกิดดับอยู่ตลอดเวลารูปก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาดับก็เป็นอดีตไปและเมื่อเป็นอดีตไปอนาคตก็เข้ามาเป็นปัจจุบัน เมื่อเป็นปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นอนดีตดับไปอนาคตก็เข้ามาเป็นปัจจุบันเพราะมีอนาคตเข้ามานี่แหละจึงมีสันติคือความสืบต่อเหมือนยังว่ากลางวันกลางคืน กลางวันล่วงไปกลางคืนก็มาขณะที่ยังเป็นกลางวันอยู่กลางคืนก็เป็นอนาคตและเมื่อกลางวันหมดไปกลางคืนมากลางคืนก็มาเป็นปัจจุบันและเมื่อกลางคืนหมดไปกลางวันซึ่งเป็นอนาคตล่วงขึ้นก็มาเป็นปัจจุบัน เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้วันนี้พรุ่งนี้จึงวนเวียนสืบต่อกันอยู่ดังนี้แต่ว่าเมื่อไม่คิดก็ไม่รู้ว่าเป็นอดีตเป็นอนาคต เป็นปัจจุบันกันอยู่ดังนี้และเมื่อคิดจึงจะรู้และเมื่อรู้จึงจะรู้ว่านี่แหละคือตัวไม่เที่ยงเพราะอาดีตนั่นก็คือที่ดับไปอนาคตก็คือว่าที่มาแทนส่วนที่ดับไปนั้นมาเป็นปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นก็เป็นอดีตดับไปอนาคตก็เข้ามาแทน ยังมีสันติคือความสืบต่อถ้าความสืบต่อนี้สิ้นสุดเมื่อใดความดับในที่สุดก็สิ้นสุดเมื่อนั้นความดับมาในในที่สุดก็ปรากฏเมื่อนั้นดังจงบังเห็นได้ว่าลมให้ใจเข้า ล่วงไปก็เป็นอนดีตลมไม่ใจเข้าใหม่ก็มาแทนซึ่งเป็นอนาคตต้งเข้ามาแทนเป็นปัจจุบันเมื่ออดีตอนาคตปัจจุบันยังมาสืบต่อกันอยู่ดังนี้ชีวิตก็ดำรงอยู่ แต่เมื่อล้มให้ใจเข้าหรือลมให้ใจออกซึ่งปัจจุบันแล้วก็เป็นอนดีตแต่ไม่มีอนาคตเข้ามาทดแทนสืบต่อคือหยุดหายใจในที่สุดชีวิตก็สิ้นสุดนั่นคือวัสนติขาดแต่คนเราที่ยังมีสันติความสืบต่อกันอยู่ยดังนี้ก็เพราะว่า มีอดีตมีอนาคตมีปัจจุบันนี่แหละสืบต่อกันอยู่การเวลานี้เองดฉะนั้นเมื่อรู้จักอดีตรู้จักอนาคตรู้จักปัจจุบันจึงจะมองเห็นความไม่เที่ยงคือเห็นว่าเกิดดับอยู่ตลอดเวลามีอนาคตเข้ามาทดแทนเมื่อใดก็สิ้นสุดเมื่อ น, นั้น เพราะฉะนั้นหากไม่รู้จักการเวลาไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตก็เป็นอันว่าไม่รู้จักทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์มองไม่เห็นอนนี้จะไม่เที่ยงทุกข์าเป็นทุกขอนัตตาไม่ได้อัตตาตัวตน